بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل ฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุล و อฮฺุลลอฮฺุ ه ลอฮฺุลลอฮฺ ن ลลอฮฺุ ل ลอ ا ل ุล ا อ ل ฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุ ر ลอฮฺุล ي วิสซ์ร์ลีอัมรีวะลูล้อดเดตมิลิสานิท์เข م โค فعنا بماعلمتنا وعلمنا ما ي ف ع إ ن, ف نا نا ن ر ر ا وزدنا علما ربنا و ل م ن ا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة حي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله <ت ص في> الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى نحب สัปดาห์แรกของเดือนสัปบานอัลฮัมดุลิลละขอดุดานะครับให้เรามีสุขภาพที่ดีได้มีระวังระมัดระวังรัสุขภาพของเราดูแลตัวเราเองนะครับจนกว่าเราจะได้เจอกับระมฎอนปีนี้ขอดุอาต่อละตอาละให้ทุกคนนะครับได้พบกับระมฎอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รับรา้มัตความเมตตาจากพระองค์ Allah ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมากกว่าสิ่งใดๆนะครับในโลกนี้อินชาอัลลอฮฺวันนี้สุรตุสุครุฟต้องพยายามให้จบก่อนถึงระมอตอ น, ตอนให้ได้เพราะฉะนั้นอยังเหลืออีกสี่ตอนวันนี้แล้วก็อีกสามตอนที่เหลือใช่ไหมหรือว่าเหลืออีกสามละอ่อินชาอัลลอฮอ่า โทรศัพท์มีปัญหาพี่น้องไม่ได้ฟังละลืมอุปกรณ์มาหลายอย่างวันนี้ลืมลืมอุปกรณ์หลังๆนี้เป็นคนขี้ลืมอโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้วก็ผมจะต้องไม่ไม่ไลฟ์แล้วคืนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังอัสสลามุอะลัยฮุตุวิอนะไรถ้าดูตามนี้นะครับอ่ะเหลืออีกสาตอนก็คือคือนนี้แล้วก็อีกสองคืน แลจบแล้วถ้าเวลาเหลือเราก็อาจจะเอามาพูดคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องบางสักห น, น่อยหนึลล่งขอร้องนะครับวันนี้สุรัตุจุครุฟอายะที่ห้าสิบเจ็ดเป็นต้นไปได้เลย أعوذ ب ا ل ل ه من الشيطان الرجيم ولَمَّا ضُربَنُ مَرْيَمَ م َ ث ل ا إ ذ ا ق و م ُ ك م ن ه ي ص د و ن وقالوا أ ا ل ه تناخير أمه อัมหูวะยาวเลยนะครับเราหยุดตรงนั้นอัมหูมาตรบูหุเลคอ ج ลลาเาุน قومخاص มุ อิ ه หัَอิลล่ ا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني อิสราเอล ولو نشاء َ لجعلنا َ منكم ملاك َ ت ة ً ال <Israel. S 2> <Israel. S 1> في الأرض يخلفون <ت ص في ق> وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْإِسْتَاءِ فلا ت م ت ر ن بها وتبعون هذا صراط مستقيم ولا ي ص د ดَ่นคุมอิชชัยตันอินนุลค عَدُ ดูฮุมมูบิน อัลฮัมดุล mm ิลลาฮ์อัสซาลาฮเราอ่านจนถึงอายัตที่หกสิบสองนะครับแต่อาจจะที่ใบเพิ่มเติมมากกว่านี้นะห้าส mm ิบเจ็ดคืนนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่อง mm hmm. ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจากเรื่องราวของประชาชาิก่อนหน้าท่านนาบินอัมมัดอย่างพิศราบดีนะครับว่าสุรุตุซุครุฟ Allah سبحانه وتعالى พยายามที all all ่จะนำมน้าพวกมุชร nah, ีกีนให้ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมในฐานะ رسول เจ้าพระกุรอานที่ท่านนบีหนึ่งแในขณะที่พวกมุชรีกีนเองก็พยายามเหมือนตึงตึงยังไม่ยอมยังไม่ยอมรับดื้อพยายามหาข้ออ้างหลายๆเรื่อง ที่เป็นข้ออ้างที่จะไม่ศรัทธาแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสลมเวลาท่านนบีบอกอย่างนี้อ่ตัวเองก็หาข้ออ้างมาอีกแบบหนึ่งหาได้ทุกเรื่องนะครับพยายางที่จะโต้เถียงกับท่านนบีจนกระทั่งอัลลตะลาบอกว่างั้นลองให้พวกเขาเหล่านี้ไปสืบสาวหาเรื่องราวก่อนหน้าเจ้าสิโอมุฮัมมัดว่าประชาชาติก่อนหน้าเขา ก่อนหน้าเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนหน้าพวกเขานี่เป็นอย่างไรทีนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสลมให้ฟังผ่านไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องราวของท่านนาบีมูซาพฤติกรรมของพวกมุสรินไม่ต่างกันเลยจากเรื่องราวของพวกเบนิอิสรอเอลและพวกอักบาตพวกกิบตีในยุค ข, ของสมัยนนบีมูซา มาวันนี้เป็นอีกหนึงน่งนบีที่พวกมุกชลิมใช้ยกอ้างเหมือนกันนั่นก็เกิดขึ้นนบีอิสาะนบีอิสาอะลัยสาลาัลลมยกท่านนบีมูซามาเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมและยกท่านนบีอิสามาอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะมูซาเนี่ยเป็นนบีของพวกเยโฮลดในขณะที่อิซาเป็นตัวอย่างของพวกนอซาระ ซึ่งตอนนั้นย ahu ดกับน so, <uned> ัซรอมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสมัยมักกะเนี่ยพวกมุชลิกีเนี่อรู้จักแลหรู้จักยิฮุดิก็รู้จักรู้จักนัซรอก็รู้จักเพราะฉะนั้นนบีสองคนนี้เนี่ยเมื่อเอามายกตัวอย่างคนเหล่านี้จะจะเก็ตจะเข้าใจยกตัวอย่างนบีมูซาจบแล้วอมาดูเรื่องราวตัวอย่างของนบีอิสราบ้างว่าเป็นยังไงวะล่ะมาดูรื่องรนบีอิราบบมางาเปนยังไ إذا قومك منه يصب له ละเมื่อ ابن مريم ذكر تنبية عيسى عليه ا ل, ل أ ا am, إ س ا لام, ي ي م ถูกยกขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาพูดในการด่าวะของท่านนบีสุลลัลละอฺละสัลลัมปรากฏว่า إذا قومك พวกของเจ้าหมายถึงหมายถึงใครก็พวกของนบีมุฮัมมัดก็คือพวกกเรชนี่แหละ ปรากฏว่าพวกของเจ้าเนี่ยย่าสดดูนอย่าิดดูดหมายถึงหัวเราะเยอะหัวเราะเยอะแล้วก็ทําเป็นเรื่องตลกโปกฮาเอเอืเอฮา อ, อ่ า, อาเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามุฮัมมัดพลาดแล้วอายันี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมพอยกตัวอย่างนาบีอีสาพวกมุสกินถึงได้ใจ แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองราะนี้ชนะแน่นอนที่จะโต้กับท่านนบี a m m มันมีเรื่องราวนะครับมีเรื่องราวก็คือนาดูในจกสิอินโนเซนีจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่มีอุครั้งหนึ่งเาะาล u l a h ซลลัลลุลวมนมาอัลวลีอิบนลมุีระฟิลมัสท่านนบีนั่งกับอัลวลอิบนลมุีระรู้จักกันออลผ่านกับระมผ่านในรตุลกลัมผ่านในลายรห ตัวที่ตัวตึงของพวกมุิที่ชอบโตเถกับท่านนบีเนี่ยครั้งหนึ่งท่านนบีนั่งอยู่นะกับบรรดาหัวโจกรชพวกนี้ในมัสยิดมัสยิดเ็คือมัสยิดอลฮรนแหละ اء النظر ابن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش ت ك ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فعرض له النظر ابن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفهمه ثم ت ل عليه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ه ا واردو ท่านนบีนะมีพวกกูรชหลายคนจนกระทั่งมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาชื่ออันดอรอิบเนลฮาริสเป็นพวกกูริชเหมือนกันมาถึงเนี่ยเถียงกับท่านนบีเริ่มที่จะโต้ตอบแลกเปลี่ยนทัศนะกันแหละสุดท้ายท่านนบีก็ชนะนะด้เนี่ยไปไม่ไปไม่ถูกแล้วท่านนบีก็อ่านอายนี้ อินนะคุณว่ามาจากบุดูนะมินดูนิลล่ะแท้จริงแล้วพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเขารบพักดีนอกจากอัลลอฮ์เทาสอบุญหันนำจะต้องเข้านรกญหันนำทั้งหมดทั้งคนที่กราบไหวและคนที่ถูกสิ่งที่ถูกกราบไหวน่าจะต้องเข้าไปในานารกทั้งหมดเลยฝั่งมุสริกีนพอได้อินอายัดน này, ี้ลุกไปเลยไอคนที่มาโตกับท่านอาีเนี่ยลุกไปเลยอ่ะ سبحان อัลลอฮ์ ท่านน บ, บ, บีพอจบตรงนั้นวงสนทนาตรงนั้นท่านน บ, บีก็ออกไปทำธุระอย่างอื่นกลับไปบ้างมีตัวละคร อ, อีกตัวหนึ่งมาอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออับดุลลอห์อิบนูซบอรีอันนี้ชื่อแปลกนิดหนึ่งอิบเนูซับอารีอับดุลลอห์อิบนูซับอรีก็เป็นพวกกเร์ชเหมือนกันซึ่งเป็นกวีของกเร์ชคนนี้เนี่ยรับอิสลามในตอนท้ายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นมุสลิม ปรากฏว่า wow. uh, ุลล์อิมรุซับกรีมาถึงแล้วเล่าให้อ่อลอิุมุีรบเล่าใหุ้ลล์ฟังอับดุลลกเลยบอกว่าชื่ออับดุลล์นะชื่ออับดุลล์แต่เป็นมุิก็เลยบอกว่าอ่า ل ه ل ดยอัลลอฮ์ีมุสินาบานกับอัลลอฮ์าบานกับอัลลอฮ์ถ้าฉันเจอมฮัมมัดเนี่ย ฉันจะเอาชนะมาคำมัดให้ได้เพราะว่าฉันเจอว่าในคําพูดที่มูฮัมหมัดใช้อ่านกับพวกเจ้าเมื่อกี้มันมีจุดช่องโวอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรนะซาลูมุฮัมมัดันอะคุลล์มายูบัดูมินดูนีละลิฟิจฮันนัมมาะมันอาบะจัฮุลองถามมูฮัมมัดดูสิว่าทุกอย่างที่ถูกเคารพกลับไว่าในจะอยู่ในนรกจะหันนำพร้อมกับคนที่เคารพกลับว่าอย่างนั้นหรือโอเคถ้าอย่างนั้นมาดูกัน เราเคารพมาลาอิกะเราบูชามาลาอิกะแสดงว่ามาลาอิกะก็ อ, อยู่ในนรกกับเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามของของฝ่ายมุสลิกมนนะ อ, อ๋อใช่ได้เราเคารพมาลาอิกะแสดงว่ามาลาอิกะก็ อ, อยู่ในนรกกับเราส่าวนพวกยิวฮีอิบาดตต์ต่อใครยิวฮีพวกยิวฮีเนี่ยเคารพอูเซย์ซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นลูกของลูกของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นคนศ่อนเลยแสดงว่าอูเซย์ก็อยู่ในนรกสิ แล้วพวกนัสรรคเขารบบกูชาใครเขารบบูชาอีสาอิบนุมาริย์นั่นก็แสดงว่าอีสาก็ต้องอยู่ในนรกด้วยนี่แหละคือความหมายของอายัดนี้วลามดุริบบอิบนุมารยมอิดาข้ามุกแมินฮิยาสิ ด, ดูลพอพวกเขายกตัวอย่างของนบีอีสาขึ้นมาปุ๊บเฮกันทำกเรเชเลยเพราะอะไรได้ทีเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นช่องโหว่มหัตอบไม่ได้แน่แนึกภาพออกไหมครับ นี่คือความหมายของอายัดนี้วะกาลูยังไม่จบเอามาล้อเลียนด้วยวะกาลูอลลฮที่รุนอัมบคนเหล่านั้นพูดว่าพระเจ้าของเรารูปปั้นของเราทั้งหลายแลเนี่ยกับอิสระทานไหนน่าจะดีกว่าโอ้ oh, เอามาพูดเอามาพูดตลกขบขัอีกและอิละฮ์อิลลัลลอฮม่ด้รับบูฮลค์ลจ สิ่งที่พูกคนเหล่านี้เนี่ยหยิบยกเอามาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรเลยนอกจากคือที่จะใช้โต้เถียงกับเจ้าโอ้บบฮ์มหมัดเพราะว่าบัลฮ์ม์กูมันขอซีมูนพวกเขาเป็นคนที่ชอบเถียงพวกนี้เป็นคนชอบเถียงเพราะในความเป็นจริงนาบีอิซาอยู่ในนรกหรือเปล่าเราจะตอบอยังไง นะถ้าอายัดนี้บอกว่าสิ่งที่มนุษย์เคารพกับสิ่งที่ถูกเคารพจะต้องเข้าไปในนรกหมดเลยแสดงว่าน บ, บีอิสาก็ต้องอยู่ในนรกสิเพราะน บ, บีอิสาถูกเคารพพักดีถูกเคารพ บ, บูชาด้วยนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์เรื่องราวเหล่านี้ไปถึงหูของท่านนาบีบสโ ล, ลลลอห์แล้วสัตว์ท่านก็เลยบอกว่าะท่านก็เลยพูดว่า كل من ่ ح ب ก ن ي ่จะอั د ดับโด ه ไม و มีพร و เจ้านั่นคือคนที่ ه ับดับ ع ระองค์นั่น م ือคนที่อับ د ับพระองค์นั่นคือ م นที่อับดับพงคี่อับดับองค่นท่อนนคี่อับับอับดอ์อบนับรีออ่อับรอออ Rawa, naik ayat Al Quran ni Allah tak lajai kamu apa. Antum, wa inna kum wama. Allah tak lajai kamu apa. Wa, wama, inna kum wama taqbudul. Seng naik bahasa Arab, kamu wama. Di sini ni, dia tak boleh guna dengan manusia. Gunakan dengan makhluk yang tidak berjiwa, yang tidak berakal. Gunakan dengan makhluk yang tidak b e l u n a l u k a l u n a l u k a l u n a l u k a l u n a l u k a l u n a l u k a l u n a l u k a l u n a l u k a l u n a l u k a นั่นคกอแสดงว่าอายัดไม่ได้รวมนบีอีสาเอาไว้ด้วยประกอบกับอีกฮะดีสหนึ่งท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามที่ชอบให้คนอื่นบูชาตัวเองนั่นแหละที่จะได้อยู่ในนรกกับคนที่บูชาเขานาบีอีสซาชอบไหมให้คนอื่นบูชาตัวเองไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในนรกพร้อมๆกับคนที่บูชาท่านเข้าใจไหมครับอายัดที่บอกว่า สิ่งที่ถูกบูชาจะอยู่ในนรกพร้อมกับคนที่บูชาเนี่ยหมายถึงเฉพาะสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาหมายถึงไม่ใช่ไ ม, ไม่รวมมนุษย์ด้วยหรืออาจจะรวมมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่พอใจกับการที่คนอื่นมาบูชาตัวเองซึ่งท่านนบีอิสาไม่ได้เข้าข่ายทั้งสองกรณีนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่เข้ากับอายดนี้สิ่งที่พวกผู้ชริกินเฮกันอยู่เนี่ยตกลงเป็นยังไง ก็เรียว่ตกอะไรนะตกตกตกตกถ้าภาษาไทยนายก็เรียกว่าตกอะไรนะ อ, อ่าาาาาไอะ ไ, นะไม่ไม่ได้อยู่ในประเด็นอ่ะไม่ไอยู่ในประเด็นกออายัดมีพูดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นจบกรณีนี้ไปสุภาพน้าอัลลอฮฺมาตาล่าก็เลยบอกว่าคนเหล่านี้รู้จริงๆแล้วพวกนี้ก็น่าจะรู้หรอกว่าที่ท่านนบีหมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงมนุษย์ไม่ได้หมายถึงแต่แกล้งเพื่อที่จะได้โตเถียง อยากจะได้ชนะอย่างเดียวนี่ไม่ไดไ้ไม่ได้อยากจะได้อะไรแล้วจริงๆนบีอิสาอะลัยสลลมพวกมุสรินก็รู้ดีนะครับว่าท่านนบีอิสสะเป็นคนที่อาจจะพิเศษกว่ามนุษย์ทั่วๆไปมนุษย์ทั่วไปเกิดมาต้องมีพ่อต้องมีต้องมีแม่นบีอีสาเกิดมามีแค่มีแค่แม่คนเดียว และนี่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าทําไมพวกนสอร์ถึงบูชาท่านถึงขนาดนี้เพราะว่าพิเศษกว่าคนทั่วไปดังนั้นอธิลักษณ์ก็เลยอธิบายว่าจริงๆแล้วอีซาไม่ได้มีความพิเศษอที่นสรอบูชาหรือที่พวกเจ้ายกอ้างมาว่านสรอบูชาอีซาเพราะว่าเป็นคนพิเศษอะไรอย่างนี้อีสซาไม่ได้พิเศษอินหัวอิละบดุอายะี่หกท่านส อินหัว e, อิลล์ عبد أنعمنا عليه อิสานั้นไม่ได้เป็นใครเลยนอกจากเป็นบ่าวของฉันที่ฉันได้ให้เนื้อหนักกับเขาว่าเจ้าลน่าห์มัธละน์ลีบอสอและฉันก็ให้เขานั้นเป็นรอยสู่เป็นนบีเป็นหลักฐานเป็นผู้ที่มาสอนให้กับบันิอิสรออีให้กับเผ่าอิสราอี เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นเป็นอะไรก็เนี่ยเป็นบุญคุณให้กับบานีอิสราเอลเป็นชื่อเสียงให้กับบ้านีอิสราเอลได้สัมผัสว่าเจลานาห์มัสลันไออัมรันอาจีบันไอ้ท afsir บางท afsir ว่าเป็นอัมรันอาจีบันเป็นเรื่องแปลกสําหรับบ้านีอิสราเอลคนเหล่านี้ก็เลยบางส่วนก็เลยเคารพบูชานาบีอิซาอัลฮิสซาลามซึ่งจริ ง, รงๆแล้วท่านไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่ถึงท่าน ไม่ได้เป็นเทพไม่ได้มีความเป็นเทพไม่ได้มีความเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพระเจ้าแต่อย่างใดเป็นมนุษย์ปุตุชนธรรมดานะครับที่อัลาลอฮฺให้ริสาละเหมือนกับนบีคนอื่นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกว่าแปลกบางคนพอพูดถึงอีซาเยซูปุ๊บเอารู้สึกว่าโ อ, อ้ถ้าสมมติว่าอัลาลอฮฺจะทํำให้แปลกกว่านั้นเนี่ยสำหรับอลาลาัลลอฮฺนั่นปกติ เพราะว่ามีเรื่องที่แปลกกว่านั้นที่พระองค์จะทําได้ถ้าพระองค์ต้องการจะให้มีที่เรื่องที่แปลกกว่านั้นพระองค์ทําได้ไหมอย่าว่าแต่น บ, บีอีซาเลยนะมนุษย์ทั้งโลกพระองค์ก็ทําได้ให้เป็นเทพหมดเลยเนี่ยอายะที่60สิบเราเนชาอุละจ้าหนามิ่งคุณมาลาอิกะถ้าเราต้องการเนี่ยถ้าเราประสงค์เนี่ยเราจะให้พวกเจ้าเป็นมาลาอิกะส่วนหนึ่งของพวกเจ้าเป็นมาลาอิกะ พระผให้มีมล ائ ์กัตมาอาศัยอยู่บนโลกพร้อมพกับพักเจ้ามาล ائ ์กัตใน الأرض ยั่วหลงอยาว่าแต่อีซาเลยนะคนอื่นก็เป็นมล ائ ์กัตได้ถ้าพระองค์ต้องการจะให้เขาเป็นนะ่ะแต่นี้พระองค์ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอีซาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดไม่ใช่ไม่ใช่คนพิเศษแต่อย่างใดเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลก เป็นเรื่องปกติที่รอซูลคนหนึ่งที่คนคนหนึ่งจะเกิดมาด้วยการเทลัาตตาะลาให้มีเฉพาะแค่มารดาและเขาก็เป็นรอซูลของ Allah Subhanahuwataala น, าา น, นบีอีสยาย่งมีความมีความพิเศษในเรื่องอื่นแต่ไม่ได้มีความพิเศษในเรื่องของการเป็นเป็นเทเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่มีความพิเศษในเรื่องอื่นมีมัจจิสัตในเรื่องอื่นอะไรบ้างอนอกจากที่ว่าเกิดมามีแค่แม่คนเดียว สิ่งที่เป็นความพิเศษของอิสลามมีเรื่องอะไรอีกบ้างเนี่ยในอายัดนี้มีกล่าวหลายเรื่องเลยนะอายัดที่61วะอินนุละอิลมุลลิส า, าห์วะอินนุละอิลมุลลิสาห์แท้จริงแล้วอันนับอิสานั้นเป็นสัญญาณของวันแกามัดเป็นสัญญาณของวันแกามัดยังไงครับ ท่านน บ, บีอิสาจะลงมาจากฟากฟ้าก่อนวันกียร์มัดนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับในในวันเกียร์มัดนะก่อนที่จะถึงวันเกียร์มัดเนี่ยหนึ่งในจนํานวนสัญญาณวันเกียร์มัดที่เป็นอลาละมาตุซาก็คือ uh น, นูซูลูฮฺกับลัยยุบิลกิยามะท่านนบีอิซาเนี่ยจะลงมาฟาลาตัมการุนนบีฮาเพราะฉะนั้นพวกเจ้าอย่าได้สงสัย อย่าได้สงสัยว่านายอินชาเนจะลงมาแน่นอนนะไม่ต er. ้องสงสัยนะอัลลอฮ์ตาลาที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทําให้ในแผ่นดินเนี่ยมีมล ائ ิกัดเนี่ยมีอีกความหมายหนึ่งนะครับอัสซาดีท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอเอ้บลักยกเราจะให้มล ائ ิกัดเนี่ย มาอาศัยอยู่ในโลกนี้แทนมนุษย์ทั้งหมดเลยให้มนุษย์หายไปหมดให้ตายไปจากโลกนี้ให้หมดเลยแล้วค่อยมาค่อยมาที่ไหนค่อยมาให้มาละอิกัสเนี่ยมาเป็นผู้อาศัยอยู่นะครับในโลกนี้ وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلْسَّاعَةِ وَأَيُّ وَإِنَّعِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ل َ د ل ي ل ع ل َ ا ل س ا ع ة นบีอิสานั้นเป็นหลักฐานของการที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามัตไซันซิโลฟิอาคิริซามัน ويكون ن ز ไดหลังเลยาไดคลังแคลงว่าวันสุดท้ายนั้นจะต้องเกิดขึ้นมาวันกิยามัตนั้นจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนวัตบินจงตามชันเถิด นี่ก็คือวัดตบิน่าจะเป็นคาพูดคำสนนบีมุฮัมมัดลลัลละนะครับว่าตามชันหรืออาจจะเป็นอาจจะหมายถึงอัลล์ุบฮานูตะลเองนะครับบิมิาลมาอมรทุกมวัจติมาวัจตินาบมานฮัยทุกมให้ปฏิบัตตามก็คือปฏิบัตตามคสั่งของอัลลอ์อย่าสงสัยวันพิ atom จะไม่จริงอย่าดื้อด้านอีกต่อไปเลยฮาาสรอตุมุสตกี นี่คือเส้นทางที่เที่ยงตรงนี่คืออัดรีตที่ถูกต้องนะครับวะลายาซุดดะนักุมุชัยตอนอินนุลกุมะดูมบีนอย่าให้ใชัยตอนมาเป็นตัวขัดความเจ้าจากเส้นทางอัซซีรอัลลัตกิบรู้แล้วว่านี่คือเส้นทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นอย่าให้ใชัยตอนมากีดขวาง มาทำลายมาผลักเจ้าออกจากเส้นทางนี้อินนُ h u l م k u ب aduun mobin เพราะว่าซาตานเป็นศัตรูที่ชัดเจนของพวกเจ้า وَلَمَّا جَاءَ أ َ س َ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ت َ خ ْ ت و ن َ ف ِ ي ف ق ُ و ا ل ل َ ه و َِ ي นี่คือคำพูดของอสาห์ไม่ถ สิ่งที่อีสาใช้เรียกร้องประชาชาิเนี่ยไม่ได้เรียกร้องให้พวกเขาเคารพบูชาตัวเองเหมือนที่พวกมุชลิกินกําลังอ้างกันอยู่พวกมุชลินพยายามที่จะอ้างว่านบีอีซาบอกให้ประชาชาติของตัวเองเคารพเคารพบูชาตัวเองซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ท่านนบีอีสาพูดสิ่งที่ท่านนบีอีสาพูดท่านนบีอีสาพูดว่ายัางไงเมื่อท่านนบีอีสามาถึงท่านพูดว่ายัางไงอลลอกัดจิตุกุมบิลอิทมา ฉันมาหาพวกเจ้าเนี่ยด้วยฮิกมัตบางตับเสือบอกว่าด้วยการเป็นนบีบินนุบูอะฉันนี่เป็นนบีอัลลอฮ์ตาลาสรงมาให้ฉันเป็นนบีไม่ได้ส่งมาให้เป็นพระเจ้าหรือให้พวกเจ้าเคารพไม่ใช่ฉันเป็นนบีบินนุบูอะบางตับเสือบอกว่าหมายถึงด้วยชารีอะฮ์ ah, บิดตะชารีอาฮ์ aat, ิลฮิกมัตหมายถึง น, นําบทบัญญัติของอัลลอฮ์ตาลามานําอุกุมหักกรรมของอัลลอฮ์ตาลาม า, า, า, า, มาให้กับพวกเจ้าแค่นั้นแหละเหมือนไหม กันนบีมุฮ네ัมมัดก็ไม่ต่างกันนบีมุฮัมมัดเขไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นคนที่เหนือกว่าคนเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นนบีธรรมดาเป็นนบีเป็นคนธรรมดาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วนาอะไรมานําต็มชีบทบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه แะ ا ل ى มาขัดจิตุลพิคมวลอุยินาุบี ت ل ف ในฟีฟตัควลลฮะอ และฉันมาเพื่อที่จะอธิบายแก่พวกเจ้าบางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้ากําลังขีลาฟกันอยู่บางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้ากําลังขัดแย้งกันอยู่นบีอิสามาคลี่คลายมาคลี่คลายปัญหาเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดก็มาคลี่คลายปัญหาของพวกมุสลิกันขีลาศกันเรื่องอะไรขีลาศกันว่าตกลงจะมีเตาอิหรือจะมีชิริกอาจจะเคารพพักดีใครมนุษย์ขัดแย้งกันในเรื่องของการศรัทธา นบีมีหน้าที่มาบอกว่าการศรัทธาที่แท้จริงเป็นยังไงอันนี้คือหน้าที่ของนบีเพราะฉะนั้นฟัตกุลลอฮ์จงตักวาต่ออัลลอฮ์วาอัติยุนอัลลอฮ์ตัสลาสั่งให้เจ้าทําอะไรอัลลอฮ์ตัสลาสั่งให้เจ้าทำอะไรฟีมาอามาระคุมบิฮ์เราต้องตักวาต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์วาอัติยุนฟีมาจิกตุคุมบิอะไรที่ฉันบอกเจ้า เจ้าก็ตทออสเสียเชื่อฟังเสียนี่คือคําพูดของอิสซาอัลัยสลามไม่ได้บอกว่าเจ้าจงเคารพบูชาฉันไม่ไม่มีบอกให้เคารพบูชาใครให้เคารพบักดีต่ออัลลอฮ์ส่วนฉันเนี่ยพวกเจ้าแค่เชื่อก็พอเชื่อฟังก็พอแต่เวลาเคารพบักดีเวลาอิบะดาห์อย่ามาอิบะดาห์กับฉันนะอิบะดาห์กับอัลลอฮ์นี่คือคําพูดของอีซาซึ่งไม่ได้ต่างกันเลยจากคําพูดของนบีคนอื่นๆ อินนั่ลลอฮฺอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าของฉันอัลลอฮเป็นพระเจ้าของพวกท่านสะบุดูเพราะฉะนั้นอิบดตต์ต่อ Allah ให้อิบัตต์ต่อ Allah ไม่ได้ให้อิบัตต์ต่อฉันเพราะฉะนั้นพวกมุชริกีนพวกเจ้าอย่าได้อ้างว่าที่นบีมูซาถูกเคารพบูชาเนี่ยเป็นคําสั่งของท่านเองไม่ใช่ าน บ, บีมูซาไม่ได้สั่งให้คนที่ตามท่านเนี่ยเคารพบูชาท่านไม่เลยทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันเองคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเจ้าจะเอาน บ, บีอีสามมยกอ้างว่าพวกเจ้าจะเคารพรูปปั้นในมักกะเหมือนที่พวกนซ า, ารอเคารพอีสาไม่ได้มันเป็นการยกอ้างที่ไม่ถูกต้องอัลลอฮฺอักบาร์ أستغفر الله وأتوب إ, أ ل แต่ส ah ุดท้ายเป็นย um, ังไงครับฟักตละัลอ์ซาบมิบนเรื่องราวของนบีมูซาก็เล่าให้ฟังเรื่องราวของนบีอีซาข้อเท็จจริงของท่านนบีอีสสก็เล่าให้ฟังแต่สุดท้ายมนุษย์ก็ยังมีความขัดแย้งกันฟักตละัลอ์ซาหมายถึงว่าเกิดความเป็นพรรคเป็นกลุ่มเป็นพวกเยอะแยะมากมายในศาสนานาสรอเองมีกี่พวก แตกกันเป็นพวกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะไม่ได้เชื่อเหมือนที่อัลกุรอานบอกนะพวกนัสรอเองเนี่ยบางคนก็บอกว่าอิสระเป็นหนึ่งในสามบางคนก็บอกว่าอิสาเ ป, เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนในศาสนาของเขาเองส่วนมนุษย์โดยทั่วไปก็ยังแตกตา่างก็ยังขัดแย้งกันอีกนี่คือสภาพของมนุษย์ลาบลลมนดังนั้น คนที่ปลอดภัยก็คือคนที่เอาข้อเท็จจริงมาพูดนะอย่าได้ออกไปจากข้อเท็จจริงของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัลาบอกว่านบีอีสซาเป็นอับดุลและคําพูดของนบีอิซาเองก็บอกว่าอินนัลลอฮฮุอะรับบีฮะรับมุกุลอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า ข, ของฉันเป็นพระเจ้า ข, ของทุกท่านฉันไม่ใช่พระเจ้าเราต้องเชื่อฟังเราอย่าไปออกไปจากคําพูดเหล่านี้ไปสู่อารมณ์ของตัวเองไปสู่ทัศนคตของตัวเอง ความพินาศหรือนรกจะเกิดขึ้นกับใครจะเกิดขึ้นกับคนที่ซาเลมนะคนที่ซอเลมก็คือคนที่ชริกคนที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah คนที่ออกไปจากเส้นทางอันเที่ยงตรงต่อ Allah سبحانه และก็ต่อ a l l นะอัสสลามุอะลั มินอซบินมินอซบวมิอลนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับอ ล, อลองไล่กลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องหน่อยสิของซูราจุสุครุฟหลังจากนี้เี่ยะะะจะพูดถึงวันกเกมัตรแล้วเพราะว่าพอปรรยายเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่อัลคุรอานสาธยายพูดคุยกับมุชริกีนจบแล้ว มันไม่มีหุจจะอื่นแล้วหมายถึงว่าไม่มีข้ออ้างอื่นๆที่พวกมุชลิกินจะใช้โต้อตอบ ก, กับท่านนาบีอีกต่อไปพูดถึงเรื่องนู้นก็ตอบได้พูดถึงอ้างเรื่องนี้ก็ตอบอ้างถึงนบีมูซาก็ตอบไปแล้วอ้างถึงนบีอีสาก็ตอบไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีประเด็นอื่นๆอีกแล้วที่พวกมุชริกินจะเอามาต่อเลาะต่อเทียงต่อกรอกับท่านนาบี m u h ม m m a d s a ล l a l l a h u alaihi wasallam จนตรอกอีก จนตรอกละหมดละคนยักอื่นๆหมดสิ้นเพราะฉะนั้นเหลืออยู่อย่างเดียวเมื่อไม่มีข้ออ้างใดๆเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือพิสูจน์ความจริงซึ่งความจริงจะปรากฏชัดก็ต่อเมื่อวันเกียม์มาถึงอัลลอฮฺตะลาก็เลยบอกว่า hell ينظرون إلا الساعة قلنا ไม่ได้รออะไรแล้วรออะไรไม่ได้รออะไรแล้วอิลลสซะะยกเว้นวินาทีแห่งกิยามัตมาถึงในเมื่อดุญญนียนี้บอกทุกอย่างแล้วสัตยายไปหมดทุกอย่างแล้วทุกข้ออ้างถูกตอบกลับไปอย่างชัดเจนหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมศรัทธาเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วที่พวกนี้รออยู่รออะไรรอวันกิยามัต ซึ่งวันนั้นจะเป็นวันพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดนำมานั้นเป็นเรื่องจริงอิลลัสรัตอันตะตียมบะฏันวะฮุมละยาชูรุสิ่งที่พวกนี้รอคอยก็คือการมาของวันกียร์มัดซึ่งมาจะมาซึ่งมันจะมาโดยฉับพลันโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้ตัววันกียร์มัดมีทั้งกียร์มัดเล็กและก็เกียร์มัดใหญ่ กียมัดเล็กก็คือการสิ้นชีวิตของแต่ละคนความตายคือเกียรมัดเล็กส่วนเกียรมัดใหญ่ก็คือการสิ้นโลกแน่นอนว่าวันแรกที่เราเข้าไปในที่มนุษย์คนหนึ่งเข้าไปในหลุมฝังศพเขาก็จะเห็นความจริงแล้วโดยที่ไม่ต้องรอวันเกียรมัดใหญ่หรอกวันแรกที่มลคุลมัดวินาทีที่มลคุลมา u มารักวิ ญ, ญญาณของเขาไป เขาก็จะรู้แหละว่านี่แหละคือความจริงที่บรรดานัลลทุกคนพยายามบอกแต่ตัวเขาเองไม่ยอมเชื่อไม่ยอมศรัทธาและดื้อด้านไม่ยอมที่จะศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหมดและวสุรจุลุกรุกที่เป็นเรื่องราวการโต้เถียงกันของพวกมุชริกีนกับท่านอบีมอฮ์ในโลกดุนยาจบและต่อไปนี้จนกระทั่งจบสุรจะเป็นสภาพของวันเกียรติซึ่งเป็นวันที่จะพิสูจน์ ความจริงและจะมีบทสนทนาของพวกมุสล <le> ินที่เข้านรกกับใครกับผู้เฝ้านรกต่อไปแต่ว่าจะไปดูกันอินชาอัลล์นะครับในในอายัดต่อไปหลังจากที่อ่พ้นอายัดนี้ไปแล้วอินชาอัลล์สุบฮานะวะตะอาลาคกนนี้นะจะประมาณนี้นะครับอัลลตาลลาฮล و ف ق ا ل ل ه م ا يحب ي ض ص ل الله نبينا محمد على آله و ص ح ب وسلم س ل ا م ع ك م ورحمة ا ل ل ه